ประเพณีการเข้าพรรษานี้ถือเป็นจิตสำคัญสำหรับพระนับแต่ครั้งพุทธกาลมาเริ่มแรกจริ ง, รงๆก็ไม่มีการจำพรรษาเห็นมีความจำเป็นเกี่ยวการเที่ยวของพระไม่มีเรื่อเวลาทำาคนอื่นให้ได้รับความเสียหายบ้าง ลืมมากน้อยตามแต่พระเนมีจํานวนมากเที่ยวไม่มีเวลาอยู่ทั้งหน้าแลรกหน้าผนเมื่อขอกลับทุนพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องการสัญจรไปมาของพระโระค์จึงทรงอนุ ญ, ญาตจงึงทรงบัญญัติให้มีการจําพรรษาการอยู่จําพรรษานั้นต้องอยู่ให้ครบปลามาสคือสามเดือน มีวันนี้เป็นเริ่มเป็นวันเริ่มแรกเพราะเป็นฤดูฝนสมกับการเข้าพรรษาจะอยู่ในสถานที่ใดก็ถือบริเวณนั้นเป็นขอบเขตของตนซึ่งจะต้องจำพรรษาอยู่ที่นั้นตลอดไกลมากถึ่สามเดือนอย่างวัดป่าบรนตากก็ถือกำแพงวัดเป็นขอบเขตที่เรียกว่าอาวาส อยู่ภายในนี้ไม่ไปแรมวันแรมคืนที่ไหนนอกจากยิดจำเป็นดังที่ท่านแสดงไว้แล้วในพระวินยัยเช่นพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือพระชา ห, หากริยัทรงนิมนต์เป็นในพระราชกุศลของพระ อ, องค์ มัดวาอาวาตเกิดความจำรุดสุดโรมไปหาไม้มาซ่อมแซมหรือสติมีหารลกอันเตวาสิเจ็บไข้ได้ป่วยเยี่ยมกันหรือเกิดความกระสันไปเยี่ยมเพื่อให้อวาตสั่งสอนหรือตักเตือนซึ่งกันและกันให้ไปได้ภายในเจ็ดวันต้องกลับมา มีพูดเพียงย่อๆเพราะพระวินยัยหนังสือก็มีอยู่แล้วใครๆก็อ่านได้เข้าใจได้ตามนั้นจึงไม่จำเป็นต้องอธิบายไปมากนี่เป็นประเพณีของพระเราต้องมีการจำพรรษาจะไปเร่เ ร, ร่อนๆไม่มีการจำพรรษาอย่างนั้นไม่ได้ผดพระวินยัยแล้วการอยู่ ในครั้งพุทธการก็กคือการบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อชำระสะสารกิเลสภายใน จ, ใจิตใจให้ลดน้อยลงไปจนกระทั่งถึงสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานนี่เป็นกิจเป็นการอันสําคัญของพระในครั้งพุทธการซึ่งถือเป็นเยี่ยงอย่างอันสําคัญมาจนกระทั่งตุวนันนี้ไม่มีงานอื่นใดที่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นราก งเงาาข้อมูลยิ่งกว่าการประกอบความภาคเพียนของพระเพื่อชำระกิเลสทุกประเภทขาดไปจา ก, กจิตใจงานในเดื่นนั้นเป็นเพียงเครื่องอาศัยเล็กๆน้อยๆท่านไม่ได้ถือเป็นจิตสำคัญอะไรเลยจิตที่สำคัญก็คือการภาวนาอบรวมจิตใจของตน ในอิเดียบทต่างๆเช่นเดินจงกรมวิธีเดินจงกรมสถานที่เดินจงกร ม, นนกรมในวัดนี้ก็มีแล้วไม่จำเป็นต้องยิแจงอะไรมากมายนั่งสมาธิภาวนายืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นมีสติรักษาจิตใจของตนเกี่ยวกับเรื่องการปรุงแต่งเรื่องอะไรต่ออะไร ให้คิดไปในทางที่เป็นโลกเป็นสงสารให้คิดในแง่ธรรมเช่นคําบริกรรมสําหรับผู้ที่ฝึกงหัดเบื้องต้นยังไม่มีรากฐานแห่งความสงบของใจท่านสอนให้มีคําบริกรรมเป็นเครื่องกํากับใจไม่เช่นนั่นใจหาหลักยึดไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรใจก็ไม่สงบท่านจึงสอนให้มีหลักยึดให้มีที่เกาะ คือหมายเอาคำบริกรรมเราจะบริกรรมคำใดก็ตามเป็นพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆเป็นต้นตลอดอานาปานสติคือลมหายใจกาหนดลมหายใจเข้าออกเข้าออกให้ทำความรู้อยู่เพราะเพราะลมนี้เด่นหายใจเข้าหายใจออกมีอยู่เป็นประจำเรากาหนดลมเข้าลมออกนั้นก็ได้หรือเราจะตามด้วยพุทโธ ถ้ายังไม่สนิทใจเราจะตามด้วยคำบริกรรมเช่นพุทธเข้าโทออกอย่างนี้ก็ได้หรือพุทธพุทธโทเข้าพุทธโทออกก็ได้แต่ต้องมีสติเป็นสำคัญกับการบริกรรมภาวนาะใจเมื่อได้ยึดได้เกาะ อ, อยู่กับคำบริกรรมด้วยความมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่แล้วย่อมจะสงบลงได้ช้าลรเร็วไม่สำคัญ สำคัญที่ต้องสงบลงได้ไม่เป็นอื่นนอกจากว่าเราเพ้อสติส่งไ ป, น, น, งปนู่นส่งไปนี่เราเรียกได้แล้วก็มาบริกรรมแล้วค่อยหายไปเสียแล้วมาบริกรรมอย่างนี้อิจไม่ค่อยสงบได้หรือไม่สงบนี่สำคัญจึงต้องได้ใช้คำบริกรรมเป็นเครื่องกากรรับ หยุดเมื่อจะปล่อยคำบริกรรมได้ย่อมจะทราบภายในตนเองคือความรู้นั้นเด่นชัดอยู่ภายในตัวสติตั้งกับความรู้ที่เด่นชัดนั่นแหละอันเรียกว่าภาวนายืนเดินนั่งนอนก็สติมีอยู่กับความรู้ที่เด่นชัดภายในจิตใจซึ่งมีรากฐานจากสมาธิมาแล้วน่ะอันหนึ่งสำหรับผู้เพิหัดเบื้องต้นในการภาวนา นี่คืองานของศาสนาที่แท้จริงที่ว่างานพัฒนาจิตใจพัฒนาด้วยวิธีการนี้สำหรับนักบวชเราสำหรับโลกก่อนมีการพึ่หัดเช่นเดียวกับ ท, งทมมางธรรมะนี้เป็นถึงยังว่าไม่จกีงมวดกวดขันเหมือนนักบวชเราเท่านั้นแต่ยังไงก็ตามเรื่องพุทธศาสนานี้สอนให้พัฒนาจิตใจโดยตรง เพาะจิตใจเป็นรากฐานสําคัญที่จะแสดงออกในอากัปกิริยาตลอดหน้าที่การงานความประพฤติผิดถูกดีชั่วประการต่างๆจะต้องออกมาจากใจใจเมื่อรับการอบรมย่อมมีสติย่อมมีความฉล า, าดรอบคอบในความคิดความปรุงออกของตนคิดดีคิดชั่วคิดผิดถูกประการใดสติย่อมไมีย่อมรู้แล้วก็ทําตาม สิ่งที่เห็นว่าถูกต้องดีงามงดเว้นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั่นท่านเรียกว่าพัฒนาจิตเพราะฉะนั้ น, นการแสดงออกทางกายทางวาจาความประพฤติตลอดหน้าที่การงานจึงไม่ผิดพลาดสำหรับผู้ได้รับการอารมทางด้านจิตใจเรียกว่าพัฒนาจิต <c oughs> ทางพุทธศาสนาท่านถือเป็นสาคัญมากงานการอย่างอื่นจะ คล้อยตามจิตที่ได้อบรมดีแล้วจะเป็นงานที่ถูกต้องดีงามเป็นทางโลกก็เป็นไปในทางที่ถูกที่ดีที่เป็นผลประโยชน์แก่สังคมงานธรรมะโดยเฉพาะก็อบรมปิตใจของตนให้อยู่ในขอบในเขตในเหตุในผลไม่ให้เลื่อนๆลื่อนอยๆอยการแสดงออกก็เหมือนกัน ทางวาจาก็มีเหตุมีผลไม่กระทบกระเทือนอันเป็นความเสียหายจากความไม่ดีทั้งหลายซึ่งอยู่ภายในจิตใจไปเป็นความกระทบกระเทือนผู้อื่นการกระทําก็เหมือนกันจะเป็นกายสุจริตวาจาก็เป็นวจีสุจริตนี่เกิดจากการที่จิตได้รับการอบรมและพัฒนาย่อมเป็นไปในทางที่ถูกที่ดี นี่เรามุ่งหวังเพื่อจิตใจของเราให้เป็นทางที่ถูกที่ดีเพื่อความหลุดพ้นโดยลําดับลําดับนี้จึงต้องได้ใช้ความพยายามความระมัดระวังให้มากเพื่อจิตจะได้อยู่ในกรอบแห่งความสงบเย็นจิตเป็นสมาธิจิตมีความสงบตัวไม่ยินรนกรวนกวายหาเรื่องราวมา เอาผลานตนเองหรืบหาเรื่องมาก่อควรยุ่ยรือตัวเองอยู่เสมอเพราะจิตมีสติระมัดระวังอยู่ภายในตัวเพราะนั้นก็จิตก็สงบเย็นความสงบเย็นของจิตนั่นแหละเป็นเครื่องดูดดื่มของใจในวาระต่อไปที่จะให้มีแก่ใจในการประกอบความภาคความเพียรถ้าจิตไม่มีความสงบเลยการ ทำความเพียรก็มักจกขี้เกียจมักจะฝืนทําทําก็ทําสักแต่ว่าเนไม่ใช่ทําด้วยความจงใจไม่ได้ทําด้วยความตั้งใจส่วนจิตที่มีสมาธิมีความสงบเย็นนั้นย่อมทําด้วยความสงบเย็นด้วยคำทำด้วยอํานาจแห่งรสของธรรมที่เป็นพื้นฐานเลยแก่สมาธินั้นอยู่กับงานของตนจริงๆทําก็ทําเพื่อให้สงบ ขึ้นไปโดยลํำดับลํำดับเพราะความสงบของจิตมีหลายขั้นหลายตอนสงบอย่างหยาบอย่างการอย่างละเอียดเข้าไปก็เรียกสมาธิสงบอย่างแน่วแน่สงบตามความต้องการเรียกว่าความจานานวะสีการเข้าการออกของจิตนั้นคล่องคล่องตัวโดยไม่ต้องไปหาเวลาเวลามาจับมาทดสอบกันเพราะจิตนั้นจำ น, นานตัวอยู่แล้วน ย่อจิตเป็นสมาธิคำว่าปัญญาคือการพินิจพิจารณาสกุลากายสภาวะธรรมต่ า, างๆซึ่งเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่จีเราส่วนมากมักจะไปติดข้องในรูปมีราคะตัณหาเป็นสําคัญจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาเป็นยาหรือเป็นโอสถดแก้กันความสวยงาม เป็นเรื่องของกิเลสให้เกิดความผูกพันการพิจนาอสุภาอสุพังนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดไม่น่าผูกพันเป็นนาเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายลายความกำนัดยินดีหายความสำคัญว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายเป็นของสวยของงามไปลนาโดยลาดับนี่เป็นยาแก้ นี่จึงเป็นสิ่งที่เหมาะกับนักปฏิบัติเราซึ่งมีจิตอยู่ในภูมินี้เป็นจํานวนมากต้องและอาศัยนี้เป็นเครื่องพิจารณาเสมอจากนั้นก็แยกแยะไปถึงความแปรสภาพของมันนอกจากอสุภะอสุพังนี้แล้วตายลงไปแตกกระจายกระจายลงไปเป็นยังไงเราก็พิจารณาไปตามสภาพของมัน ส่วนละเอียดจะเป็นไตรลักษณ์ส่วนหยาบนี้จะเป็นอสุภะอสุวพังมากกว่าในการพิจารณาเพราะฉะ น, นั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องใช้ในธรรมบทนี้มากเช่นอย่างท่านแสดงไว้ว่าให้ไปเยี่ยมป่าชาก็คือให้ไปเห็นสภาพความเป็นจริงของคนของสัตว์ของหญิงของชายไปยังไงสภาพความเป็นจริงของเขาป่าคนเป็นกระป่าคนตายเป็นยังไง ปลาคนเป็นเห็นแล้วรักเห็นแล้วชอบใจความโกรธความเกลียดก็ไมีขึ้นภายในจิตใจเวลาประสบพบเห็นมิสัมปัตสัมพันธ์กันด้วยกิย ร, ร, ยกริยามารยาทคําพูดคำจามักจะเกิดความรักความชังความโกรธความเกลียดเสมอในบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่แต่เมื่อไปเยี่ยมบุคคลที่ตายแล้วในป่าชาความโกรธความเกลียดอย่างนี้ไม่มีเกลียดก็เกลียดอย่างที่ว่าน่าเบืองหนายมากคลายคำอ หน้าใายกำหนดไปอย่างนั้นนี่ต่างกันอย่างนี้แต่ถือว่าเป็นจักเปิบุกคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นของสวยของงามอย่างที่เป็นมนุษย์มีลมหายใจอยู่นี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ในความรู้สึกย่อมแต่ชิพไปในทางที่เป็นความจริงเช่นคนตายแล้วเป็นอย่างนี้เริ่มแรกก็คือเป็นคนเป็นเหมือนเราเราทันๆนเมื่อตายแล้วเป็นด้วยกันอย่างนี้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเขาทั้งเรา แลนอกจากนี้แล้วเป็นยังไงกําหนดดูความผู้พองล้องไหลออกมาเต็มร่างกายและแตกกระจัดกระจายไม่เป็นไรไม่มีส่วนใดชิ้นใดที่จะเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาตามความเฉลี่ยสรรพย่อของกิเลสปัญหาว่าเป็นของสวยของอางามเป็นของกีรังถาวรแต่มันกลับโกรงกันข้ามไปเสียหมดทุกอย่างหาความสวยงามหาความกีรังถาวรไม่ได้หาความเป็นเราเป็นเขาไม่ได้ นี่ท่านสอนให้พปเยี่ยมป่าชา้าเมื่อได้เป็นคติแล้วก็นำมาพิจารณาป่าชาฤฤฤฤฤ้าผีดิบคือร่างกายของเราของเขาซึ่งมีชีวิตอยู่นี่ให้มันเป็นสภาพเช่นเดียวกันกับนั้นแม้จะยังไม่ตายมันก็คือสภาพเช่นนั้นคอยจะลมห้ใจดับไปเท่านั้นมันก็แสดงอาการอย่างนั้นขึ้นมาโดยลําดับลําดาจนกระทั่งถึงความเป็นอย่าง ที่เป็นอยู่ในป่าชา้านั้นร้อยเปอร์เซ็นไม่ผิดกันเลยเลยนี่การพิจารณาเพื่อแก้ราค่าตัณหาท่านจึงสอนให้พิจารณาให้มากที่สุดยิ่งเป็นการดีพิจารณาจนกระทั่งมีความชำนิชำนานในร่างกายทั้งภายนอกภายในมองดูอะไรทะลุปลุกปลงไปหมดด้วยความชานานของปัญญาที่พิจารณานี่ก็เลยเคยพูดให้ท่านทั้งหลายฟังแล้ว การดำเนินของเราดำเนินมาอย่างนั้นเห็นประจักษ์จริงๆอย่างที่ว่านี่ไม่มีอะไรผิดแปลกจากนี้เลยความรวดเร็วของปัญญาเวลามันจำนานพอแล้วนี่เพียงขณะเดียวเท่านั้นสามารถทะลุบุกปร่งไปหมดในร่างกายทั้งภายนอกภายในเวลามันยังล้มลุกคลานอยู่มันก็คอยทิดแต่จะหลุดมือจาก สิ่งที่ว่าเนี่ยอาชุพะอาชุพังทุกขังอัตตากลายเป็นสุขะสุพังสุขขังอัตตาไปซะหมดมันโก่งกันข้ามโกงข้ามไปทางของกิเลสซึ่งไม่ใช่เป็นความจริงเป็นความจอมปลอมแต่มันเคยชินมันทํานิชำนานมาแล้วกิเลสเป็นครูของโลกเป็นเจ้าอํหน้าของโลกจึงต้องถูกจิตใจของโลกให้เป็นไปตามความต้องการของมันอย่างง่ายดายและรวดเร็วแต่ธรรมะนั้นเข้าใจเป็นบางการบางเวลาเมื่อยังไม่ถึงขั้นแก่กล้าสามารถ ย่อมีหลุดลอยไปตามกิเลสได้โดยไม่รู้สึกตัวเพราะเหตุนี้เองท่านจึงสอนให้พีพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ำซ้ำซักซ า, กากจนทางนี้มีกําลังสติก็ค่อยมีกําลังปัญญามีกําลังการพิจิตตพิจารณาสภาพสภาวะธรรมทั้งหลายมันก็ชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นรวดเร็วขึ้นจนถึงความชํานิจํานานได้รวดเร็วตามใจหวังแล้วก็พอฟัดพอเหี่ยงกันไป ความกำนัดยินดีในสิ่งที่ตนเคยเป็นมาแต่ก่อนก็ค่อยคลายตัวออกมาคลายตัวออกมาแล้วกลายเป็นความเบื่อหน่ายสรุดสังเวชภายใจะกรายของเหล่านี้สรุดจริงๆนะพิจารณาแล้วรู้สึกว่าสรุดจริงๆประจับหัวใจเลยเมื่อมันเห็นข้อตามความจริงนี้จะต้องเกิดความสรุดสังเวชเบื่อหน่ายท่านจึงบอกว่าเบื่อหน่ายแต่มันยังมันยังคลายไม่ได้หมดมันก็ค่อยคลายกันไป อี้คลายกันไปเรื่อยๆินกระทั่งถึงความหมดสิ้นไปได้เพราะอํานาจแห่งการพิจารณาดังที่กล่าวนี้นี่สาหรับนักภาวนาให้หนักทางนี้ให้มากอย่างอื่นไม่ทันกับวิเลตตัวราคาตันหาซึ่งรวดเร็วที่สุดในวัยของเราเราท่านา น, นี่แหละเป็นวัยที่รวดเร็วที่สุดเพราะใครก็ผ่านวายนี้มาด้วยกันเนื่องเกี่ยวว่า กำลังวังชาของเหล่านี้เรียกว่าเครื่องมือของกิเลสนะประเภทนี้อะมันพร้อมร่างกายก็สมบูรณ์ทุกสัดทุกส่วนตาก็ดีหูก็เร็วอ่า mm. ร่างกายที่เป็นเครื่องเสริมทุกด้านที่จะเสริมราคะสัรหาให้คล่องตัวและรวดเร็วนั้นมันก็สมบูรณ์เต็มที่เพราะฉะนั้นมันถึงหมุนติว้วติ้วอยู่กับอันนี้มากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเราจรึงต้องใช้ความพิจิตรพิจารณา แล้วหาอุบายฟุตทรมานมันหลายด้านหลายทางทเชีนอดนอนผ่อนอาหารอดอาหารด้วยแม้ตั้งแต่จะตัดเครื่องมือของมันลงไปไม่ให้มันทำงานได้ด้วยความสะดวกเราสังเกตดูเวลาเราหลับเรานอนเต็มที่ของท่าของขันนี้ก็เสริมเสริมราคะปัญหาได้ดีแต่สู้เรื่องอาหารไม่ได้อาหารนี่สำคัญมากทีเดียวอาหารดิบดีเท่าไรตามความยงของโลก ชันอิ่มมากเท่าไรนั่นแหละแล้วคนเราเมื่ออินได้ก็ต้องนอนหลับนอนมากความขี้เกียจที่ค้านก็มักจะมากความคิดความปรุงก็มากมันเสริมมันไปเนี่ยเสริมให้คิดให้ปรุงมากคิดปรุงมีแต่คิดปรุงเรื่องเหล่านี้แหละไม่คิดปรุงเรื่องอย่างอื่นบางทีเรายังไม่รู้สึกตัวมันคิดอยู่แล้วมันคิดอยู่แล้วความละเอียดของมันก็ละเอียดเรื่องราคาตันหาไปเสีย แ่ความยาวก็เป็นเรื่องราคาตันหามีแต่ความคิดที่เป็นเรื่องอันเดียวอันเดียวอันเดียวนี้เวลาสติปัญญาของเรายังไม่ทันและเครื่องส่งเสรมิมราคาตันหามันสมบูรณ์เต็มที่ย่อมคลั่งตัวได้เพราะฉะนั้นการฝึกทรมานจึงยากแต่ทาให้จิตสงบลงแต่ละครั้งละคร่านี้สงบไม่ค่อยได้เนี่มีแต่ที่เหล็กประเภทนี้แหละชุดลากไปชุกลากไปตลอด จึงต้องเลยใช้อุบายวิธีการหลายด้านแลายทางทําให้สะดุดใจทํายังไงมันก็ไม่ได้ทํำยังไงก็ไม่ได้สติตั้งเพราะตั้งคําว่าตั้งขึ้นกับล้มไปนะั่นมันอยากจะพูดว่าในขณะเดียวกันขนาดเดียวกันปัญญาไม่ต้องมาพูดแหละหเรื่องปัญญาสัญญาทั้งนั้นมันหมายไปหมดมันตีให้เป็นสัญญาไม่ให้เป็นปัญญาเลยเลยนี่เป็นเหตุที่ง่ายหรือพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายสั้นหลายคุม ลงไปถึงสหนับเราเองลงถึงขั้นอดอาหารอดนอนก็ทดลองดูแต่มันไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่เท่ากี่ควรเพราะแต่และอย่างอัอย่างที่ท่านแสดงไว้นั่ น, นแสดงไปตามชนิดนิสัยเพื่อให้เราเลือกเอาว่าชนิดใดปฏิบัติแบบใดเช่นอดนอนผ่อนอาหารอันนี้อย่างไหนดีนั่นเมื่อเราเห็นอย่างใดดีอย่างไหนดีแล้วก็ต้องยึดอย่างนั้นแหละ เข้ามาปฏิบัติเป็นยากลําบากมันก็ต้องเลยทนทับก็เพราะว่าผลิตนิสัยของเรามันเป็นอย่างนั้นก็ต้องทนเอาเมื่อเราจับได้วิธีการที่เป็นประโยชน์ที่ถูกกับจริตนิสัยของเร า, เราว่าจิตสงบได้เย็ยนได้นั่นแหละเรียกว่าถูกกับนิสัยสติตั้งได้เป็นเวลายืดยาวม่ ไม่ลมผอยล้มผอยเหมือนย่างแต่ก่อนปัญญาพิจารณาไข้ควนก็ได้ถึงไม่มากก็ทราบชัดว่าได้นั่นแหละเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องได้ฝึกต่อไปด้วยวิธีการดังที่เคยปฏิบัติมานี้นี่นั้นก็ต้องทุกข์ต้องทุกนั่นทุกข์แหละไม่สงสัยแต่เราอย่ามาคํานึงถึงเรื่องความทุกข์เพียงธาตุเพียงขันให้พึงคํานึงถึงเรื่องความทุกข์ในทางใจเพราะถูกกิเลสบีบ บ, บังคับ คืตลอดเวลานั้นมีความทุกข์มากร่างกายสุขขนาดไหนกิจก็หาความสุขไม่ได้ยิ่ง ด, ดียิ่งดิด้นยิ่งทุกข์เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นทั้งที่ร่างกายสมบูรณ์นี่เมื่อร่างกายเป็นทุกข์บ้างก็ต้องยอมรับกันเพื่อความสุขที่เกิดขึ้นภายใน จ, จิตใจด้วยการฝึกทรมานของเรานี่นั่นจึงได้หืนให้มีเหตุมีผลอย่างนั้นการปฏิบัติตัวจะ่าเอาทำเพียงทําตามใจชอบเฉย อยากเดินจงกรมกีหนาทีก็เดินอยากนั่งกีหนาทีก็นั่งไม่ได้สับได้แสงได้เหตุได้ผลไม่มีกฎมีเกนเป็นเครื่องบังคับตัวนั้นมันไม่ได้เรื่อง อ, อะไรเล่าอะไรมันก็เหมือนกับซุงที่ไหลไปตามน้ำนั่นเลยน้ำนั่นก็คือกิเลสมันผลักมันดันไปซุงก็คือหัวใจเราถูกน้ำมันไหลไปไเลยไม่ได้เรื่องเลยเล่าอันนี้ทำอะไรเป็นเพื่อความสะดวกความสะดวก มันก็เป็นซุงเป็นซุงไปเรื่อยๆให้กิเลสมันหไหลไปเรื่อยไหลไปหาทางความความทุกข์ความทรมานร่างกายสมบูรณ์เท่าไหร่ยิ่ยงมีความทุกข์มากในทางใจออกเพราะฉะนั้นจึงต้องในฝึกหัดในดั ด, ดส้นดานมันดัดกิเลสนั่นแหละเราอย่าไปว่าเร า, เราดัดเราถ้าว่าดัดเราแล้วใครใครก็ถือว่าตัวเป็นเราเป็นตัวของตัวแล้วก็ดัดไม่ลง กลัวจะเราจะทุกข์จะลำบากนี่แต่กิเลสมันแทรกอยู่ในคำว่าเรานั่นเองแต่เราไม่รู้มัน mm hmm. เพราะน่ถึงวัดดัดกิเลสให้มันอ่อนลงไปอ่อนลงไปการคิดอ่านแต่ตรองอะไรก็ค่อยเกิดผลเกิดประโยชน์ขึ้นมานี่คือการฝึกทรมานใจเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอาการลิโกพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ชั้นใด อันนี้ก็เหมือนกันแม้ปริพันไปแล้วก็ก็เท่ากันกับพระพุทธเจ้ายังทรงประชนอยู่เพราะชี้แจงแสดงบอกความจริงทั้งหลายไว้แล้วต่อจุดมุ่งหมายไม่มีผิดเพี้ยนไปจากจุดมุ่งหมายนั่นเลยถ้าเราปฏิบัติตามธรรมของท่านถึงว่าเหมือนท่านไม่ได้นิพพานเพราะความจริงเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลา การ พ, พรดพากจากไปของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายก็พัดภาคด้วยเรื่องร่างกายนี้ทั้งนั้นโลกก็พัดภาคกันอยู่อย่างนี้ทั้งกลับตั้งกันแต่ไหนแต่ไรมาพระพุทธเจ้าเมื่อถึงการเวลาของธาตุขันธ์ซึ่งอยู่ในวิสัยของโลกอนิจจ์ทุกขังและตาแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ความจริง ท, ที่ทรงแสดงไว้แล้วอย่างใดนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะยึดจะเกาะมาเป็นประมาณพายใจิตใจมาปฏิบัติได้ผลจะเห็นขึ้น ปรากฏขึ้นภาณในจิตใจของเราโดยไม่สงสัยทั้งที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่และปฏิญผ่านไปแล้วความจริงจะเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติธรรมนี่คือความจริงแท้ไอเรื่องที่คาดว่า พ, พุทธเจ้านิพพานแล้วห่างเหินจากอัจฉริธรรมไปแล้วอะไรๆก็เหมือนพระพุทธเจ้าทั้งขนปฏิพผ่านไปหมดขนไปด้วยพระองค์ทั้งหมดหลือไปหมดไม่มีอะไรเหลือเราเหลือตั้งแต่ หนังสือเหลือตั้งแต่คำพีอย่างนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสหลอกสัตว์โลกอุบายใดที่จะเป็นเรื่องสัตว์โลกให้นอนใจตายใจรุ่นหลวงระตามมันนั่นแหละคืออุบายอันแหลมคมของมันของกิเลสมีอยู่ต้นทุกซอกทุกมุมแต่เราไม่รู้นั่นสิสาคัญเมื่อไม่ถึงขั้นที่จะรู้เมื่อถึงขั้นรู้แล้วออกมาช่องไหนช่องไหนออกมาแง่ใดนี่มันทันกันทันทีทันทีท น, ทนั่นนั่นแหละผู้ที่ท่านเหนือพวกเรา เราเป็นอย่างหนึ่งท่านเป็นอย่างหนึ่งเรารู้ไปอย่างนี้ท่านรู้ไปอย่างนั้นนะความรู้ของท่านเป็นความรู้ที่อยู่ในกรอบของของธรรมของธรรมของธรรมความรู้ของเราของเราเป็นความรู้อยู่ในกรอบของกิเลสครอบงําครอบงําบีบบังคับเพราะฉะนั้นเวลาเราแสดงออกอะไรเราไม่รู้ท <one. S 1> ่าน Net <แ> client, รู้เราไม่รู้รท่านรู้ท่านจึงได้นำธรรมที่ท่านรู้แล้วนั้นมาสอนพวกเราให้เรายึดเป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์เอาไว้เรื่องของกิเลสหลอกโลกหลอกอย่างนั้นน่ะ มักผลนิพพานไม่มีมักผลนิพพานเสื่อมชิ้นไปหมดแล้วอืมปฏิบัติเท่าไรก็ไม่ได้ไม่ได้ผู้ที่มันพูดอย่างนั้นคือมันไม่ได้สนใจปฏิบัตินอกจากให้กิเลสขยําหัวมันอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเราอย่าเอามาเป็นสาระนะอย่าเอามาคิดให้เสียวเวลานอกจากพูดทางธรรมซังคัสงสังฆฉามีที่เราฝากเป็นฝักตายใเท่า น, นั้นคําพูดเช่นนั้นของบุคคลเช่ น, นั้น ไม่มีอะไรเป็นพูนเลยนอกจากเป็นโทษโดยถ่ายเดียวเพียงสัมผัสเข้าที่หูเท่านั้นมันก็พอแล้วแลยิ่งเราจะเห็นด้วยตามไปด้วยก็ น, นั่นเระเรียกว่าถูกแล้วถูกต้มแล้วถูกต้มแล้วนี่การจำปะษาก็มีจำนวนมากพากันอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นธรรมอย่าให้กิเลสมันแทรกเข้ามาได้ ว่าเราเป็นคนสำคัญคนหนึ่งเป็นพระสำคัญองค์หนึ่งสำคัญในทางนั้นสำคัญในทางนี้สำคัญในทางความรู้วิชาสำคัญในในความมีฐาน ะ, ะต่างๆอย่างนี้เป็นความสำคัญของกิเลสซึ่งจะคอยมากระทบกระเทือนผู้อื่นหรือเหยียบย่ำทำลายผู้อื่นเหยียดดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นไลยอื่นจนได้ให้ระมัดระวงังอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลแต่เราไม่รู้เราจริงมันจึงทให้เราหยิ่งยิ่ง ในเรื่องของกิเลสแต่ไม่หยิ่งในเรื่องของธรรมนี่แหละคอยแทรกเสมอถ้าเรามีความกระตบกระเทือนหรือทะเลาะบอกแย้งกันหรือลงรอยกันได้ก็เรื่องของกิเลสถ้าเป็นเรื่องธรรมแล้วลงทันทีลงทันทีนี่ก็เราก็มาฆ่ากิเลสเราอย่ามาเลี้ยงกิเลสเอาไว้สิ่งใดไม่ดีมันขวางว่าใจทลายนั่นแหละคือกิเลสขวางใจให้รู้ทันทีว่าถ้าทำแล้วไม่ขวาง มันไม่ลงใจถึงถูกขนาดไหนมันก็ไม่ลงใจถือว่าตัวเป็นผู้ใหญ่หรือถือว่าตัวเป็นผู้มีความรู้เลยศึกษาโเรียนมามากหรือตัวเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะที่สําคัญว่าตนว่าดีว่าดีนั่นแหละคือตัวหญิงของยิเลงมันจะเข้าทําลายธรรมให้ระมัดระวังถ้าเป็นธรรมแล้วอยู่ด้วยกันด้วยความป่าสุขเหมือน อ, อวัยวะของเรามีส่วนไหนบ้างที่จะลําเอียงกันไม่มีแม้แต่ผมเราก็ยังรักว่าเป็นผมของเราขนของเรานั่น ดูสิตอลอดเล็บฟันหนังเนื้อเองก็ดูอยู่ในอวัยวะของเราทั้งเป็นของตักระปกโซมโ ม, มเต็มอยู่ในร่างกายนี้เรายังก็ยังถือว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ได้เอียงเราต้องรักษาเป็นความรับผิดชอบของเราทั้งสิน้นโดยหลักธรรมชาติของใจเป็นอย่างนั้นหรือสารศาตรยานก็เป็นอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันการอยู่ด้วยกันก็มีความรักใคร่มีความสนิทสนมกันโดยธรรมไม่ยิ่งไม่ย่อน ความยิ่งความหย่อนนั่นเป็นเรื่องของกิเลสมันจะเข้าแทรกจนได้นนอะไรที่ถูกยอมรับกันทันทีทันทีนั่นคือทางของผู้จะแก้กิเลสแก้อย่างนั้น้าเกี่ยวข้องกับหมู่กับคณะก็ให้แก้ให้ระวังตัวให้ดูตัวเองอย่าไปดูจต่หมู่เพื่อนว่าผิดพลาดอย่างนั้นไม่ถูกใจอย่างนี้ให้ดูของตัวของเราตัวมัน เป็นเส้นเนียดจันเยมันมีมันคอยไปยึดไปเะกาะในสิ่งไม่ดีทั้งหลายและถือมาขึ้นมาคิดอยูอ่ภายในใจิตใจแล้วก็ยังภูมิใจในความคิดของตนอยู่นั่นแหละคือเรื่องของกิเลสทํางานแล้วเราคุณทราบอย่างนั้นถ้าไม่ทราบแล้วมีได้เรื่องกันอยู่ด้วยกันหลายคนมีการกระทบกระเทือนตะเลาะบอกแวงกันได้สำหรับวันนี้อย่าให้มีเป็นอังขาด ผมนี่เคยเ็ดเคยหลับมาจากเรื่องราวทั้งหลายมาพอแล้วจึงได้ประกาศให้หมู่เพื่อนฟังเรื่อยมาไม่ได้หยุดหย่อนในเรื่องเหล่านี้เพราะเ็ตจริงๆเงินกิเลสตัวหยาบโลนนี่มันออกตีตลาดค่าพระค่าเนนไอคิพาไวายปวงไปด้วยความเยื่ยยิงของตัวเองนั่นแหละมันทำลายตัวเอ ง, องนก็อ่อนลงอ่อนลงวันนี้ก่อน เพียมากจริงๆจน จ, จะพูดอะไรไม่ได้แต่ก็เพราะเป็นวันสําคัญคือวันขฐฐไปไปเข้าพรรษาก็เลยประเดียวให้หมู่เพื่อนทราบโดยทั่วกันมากว่าต่างคนต่างคง์ต่างประกอบความภาคเพียงอย่าสนใจกับเรื่องอะไรไม่มีอะไรสําคัญในโลกนี้ยิ่งกว่าการบำ ร, รบบุงจิตใจของเราได้ด้วยความภาคความเพียรการรักษาจิตใจด้วยสติมีภาวนาอยู่เป็นประจำนี่คือความถูกต้องนี่คืองานของพระ เราทำให้สมบูรณ์ตรงนี้ส่วนภายนอกนั่นมันเป็นเรื่องภายนอกปัจจัยเื่องอาศัยเอาแน่กับมันไม่ได้มันไปได้ทั้งดีทั้งชั่วนั่นแหละถ้าเราไม่ฉลาดปัจจัยก็เลยกลายเป็นยาพิษขึ้นมาถ้าเราฉลาดแล้วก็เป็นปัจจัยเพียงเครื่องอาศัยเท่านั้นนี่นตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเพียรดีสาานี้ก็รังที่เคยพูดแล้วก็มีผู้ประจา อยู่เป็นประจำประจำมีการมีงานอะไรก็รี บ, รบช่วยกันให้เสร็จให้สิ้นอย่าให้มันอืดอาดเหนื่อยนายุ่งกันอยู่ยในในลานี้ไม่ดูไม่ได้นี่ตอวันนี้พูดอย่างตอนนี้ผมเหนื่อยเอาละวันนี้เหนื่อยมากพูดไม่อยากลมไม่อยากจมมีมันเหนื่อยวันนี้ เราเห็นใจเขาประชาชนยากจนเนี่ทําังไงหัวใจเขากับหัวใจเรามันก็เหมือนกันผมมาเทียบมดทุกสัตว์ทุกส่วนก่อนที่จะเดินตอนนั้นชาชนเห็นบินธบาตินี้เหมือนกันต้องใส่บาทค น, น้ากเท่าไหร่ครับจอดบอกให้เราอยากใส่บานเราอยากใส่บาทเราแล้วก็พระสารคุปกเยอะแล้วนีเ่เหอ่อนีน่สี สีสสิพอดีนี่หลมันเริ่มม่อรองสีส่สบผมยิ่งกำลัองอ่อนลงพม่าวันเหลือหลายนมันอืดอาดมากแม่าก็อืดอาดและตัวทีเจยดทำคติว่าวปฏิบัติทีนี่มีองไหนล่ะเวลาหมุกข้อนทำไม่ค่อยน่าทำหมุกข้อนทำพอขัดไม่ได้แล้วอืดอาดอุดอาด สายยิ่งด้อมยิย่งมาอะไรก็แบบนั่นแหละแบบอืดอัดอีกแล้วยา ย, ยาเห็ น, นในวัด น, นี้นะนี่ผมเข็ดมาพอแล้วผมเ ม, มาผมอยู่กับพ่อแม่ครูจาย์เราท่านยิ่งเข่ายิ่งแก่กว่าเงินยิ่งไหลมาทับท่านเราอยู่คอยอยู่จาบหลังวันที่เราจะตายไม่ือไว้ตกไว้ ก็อันยืนในความพอเหมาะพอดีท่านไม่หนักใจนักนี่เวลาผมไปไหนมาไหนท่านรู้ทันทีนะว่าเพราะผมเองนั่นแยคุณนะเวลาผมจากท่านไปไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยพันเงินจะกกินต่างต่างท่านเห็นท่านท่านทําคาญเพราะงั้นปกติตามในสายท่านนะท่านจึงไม่อยากให้ผมไปไหนแต่ท่าไม่ไม่พูดนะท่านก็เห็นใจเราเหมือนกัน ว่าเราตั้งใจแค่ไหนต้องก็ทราบเนี่ยเวลาเราอยู่ไปไนเป็นยังไงะ่ามเน่นท่านก็ทราบเวลาเราจากท่านไปไปภาวนาบ้างช่วระยะการท่านกา็ทราบแต่ท่านไม่พูดนะนี่ใครจะเก็บความรู้สึกได้เก่งยิ่งกว่าความหน่ของการเราอะ แต่ถึงเวลาจะเปี่ยมก็เปี่ยมเหมือนฟากดินกลุเวลาเราอยู่เนี่ยเรารู้ตลอดเวลาทพรว่าเราหนักมากในหมวกแล้วถ้านเนี่ยจะหนักอะไรเท่าเราะลุกเนี่ยทุกมุมเราดูหมดเลยเน่ตลอดถึงข้อวัดปฏิบัติประจําองค์ท่านนี่เราก็ต้องคอยแนบอยู่ตลอดคอยเตือนตลอดอย่าให้ก้าวไกลกันเหล่านี้ถ้าไปยืนหยุดไม่ได้ก็ขึ้นบนกุฏิกับท่านขึ้นกุฏิ เราไม่ใช่คุยย่มันคล่องตัวังกินอยอางไรไรพระเนนทันเรางร่ายเลยท่านก็รู้หมดในเรื่องนู้นนี้เอาบริการตรงด้านมนัอนก็แต่ก่อนท่านก็เลยห้ามเราแล้ว อ, ออกมาให้หมู่เพื่อนแยกกันแยกกันท่านก็เลยห้ามเออพระตีมีอายุกรรษาแก่แล้วก็ไม่ต้องยุ่งมากนะ ก, ก็ได้ พระเนรทาพวกนี้มันจะไม่มีนิสัยติดตัวมันแหละมันวาท่านว่างั้นนะเพียงจะคอยดูแลท่านว่างกันนะผมก็เลยงดอันนั้นแล้วคอยดูไม่ค่อยขึ้นกุติท่านสองสามวันขึ้นทีนึงไม่ขึ้นผมดูบันไดนั่นคอยดูใครเอาอะไรลงมาคอยดูเคลื่อนไม่ได้เพราะท่านจริงจังทุกอย่างท่าน ไอ้ควาดีอันนี้สย่ยเรานี้ก็อีกเหมือนกันมันก็จริงจังเพราะนั้นมันจริงอยากจะว่าถ้ามันเป็นการอ่านเรื่องก็อยากว่าจ ะ, จะเข้ากันได้วางันขึ้นมามันว่าอะไรเราจับปุ๊บเข้าเลยเข้าในหัวใจมันไม่ใช่ลอยๆนะอุทีเล่นทีจริงอะไรก็ตามนี่มันไม่ได้เล่นมันเหมือนก็ถ้าเป็นขึ้นเวทีก็เจอะตลอดเวลาท่านพูดอะไรที่เส้นเป็นปัญหาก็มีสมรู้คิดจริง เวลาเ้าไปท่านพิงได้พูดถึงอยู่เรื่อยเออใช้มาหาไปไงลราอยู่ง่าธรรมดาต้อไม่คอยถามพิงใครง่ายนะไม่คอยถามบางทีเราพอคล้องผ้าขึ้นไปหาท่านนะจะลาท่านเฮะยัง ไ, ไปไหนเนาะบางทียังต้องกันกนีดตัวเนี่ยปัญหาท้งขึ้นแล้วเราก็พูดอะไรไม่ออกแล้วที่นี้นั่นตอนนั้นเรก็รู้แล้วื อ, อ เมื่อไปใช้ตัวนย่างเช่นการนี้ตัวท่านบอกท่าไหม่็ทั้งๆที่การปรึกษาท่านเพระผมอานหนังเล่มผมก็ที่ขึ้นป่าต่างกัไเลเรื่องอหนึ่งของท่านก็มีของท่านนั่นแหละจึงได้เย็บออกมาอย่างนั้นเราถ้าท่านไม่พูดไม่มีเงื่อนไขอยู่ผมก็เลยไม่กล้าพูดนะมันต่อไปแล้วกับค่อยๆมีเงื่อนไขนี่เป็นไง ที่จะขายพอเวลาหร อ, อนั่นว่าละมันก็โมกับเพื่อนมันก็ยุ่งยากอย่างนี้แหละเนี่ยมันพูดไปงั้นมันก็จะไม่มีเวลาทำมึงตัวเต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้วว่าไปงั้นเนี่ยจะเร็วๆท่านขายเงินแล้วนะั่นจากนั้นมาท่านเ ย, ย็บเรื่อยมึงเราก็ปกเราก็โล่งแล้วเราก็พูดได้ เขาลกตั้งขนาดนั้นนะถ้าทําไม่มีเงิ่นเลยท่านพูดอย่างนั้นผมก็ลาไม่ได้ผมกลับลงมาเพราทเานพูดอย่างนั้นทํามีเมตตาต่อเราขนาดไหนแล้วก็โลกของเราที่จะไางเสียหายไปไหนท่านก็รู้อยู่แล้วว่าจะเสียหายไปไหนท่านก็รู้แล้วเป็นนี่พระเน้นเต็มอย่านี้เป็นยังไงอก็ต้องอยู่ในโหของเราท่านก็รู้ เราอยู่ทั้งกับสะดวกว่าทุกอย่างคอยจดคอยจ้องคอยดูทุกอย่างอะไ้ว่างั้นเถอะอะไรอะไรก็เราเวลาพลาเนนผิดพลาดอะไรนี่ก็เราก็ตัดหัวนี่รองท่านเลยอะไรก็ดึงออกมาเราอีกทีอ่ะท่านดุเราเออจะว่าพลาเน้นเราค่อยว่าทีหลังนั่นแหละอย่างนั้นนะเพียงต้องท่านตึกพูดขึ้นมาอะไรก็ ไอ้อาก็มหาผิดมหาผิดหวังทํำไมมหานี่จะไจะไปโง่นั่งหนาผิดพลาดคุกงั่งโหน่นั่นตอนสร้ปัญหากันเดี๋ยวนั่นทิทใต้วัดทว่าก็มีแต่มหาผิดทําไมมหาอุนี่จงโง่นังหนาฮะว่าไว้งั้นฉันรู้แล้วว่าเราตัดหัวรองหมู่เพืกันไว้นี่มันรู้แล้วรู้หมดมันก็ดูเราจะผิดพลาดอย่างนั้นแต่เหลือแต่ก็ดูอยู่แล้วมันก็รู้เอง เวลาพูดทวนหากับท่านอะไรอะไรเนี้มันไม่ผิดอะไรกับพ่อกับลูกนะก็ผมเนี่ยเป็นแปลกๆอย่างงั้นนะไอเรามันก็ะสนิดถึงขนาดนั้นนะมันแล้วมันนุ่มมันนิ่มมันเลพูดไม่ถูกนะกับท่านนะทั้งวันเย็นก็เย็นสุดๆตายใจก็ตายสุดหมดเหมือนแนเปอร์เซนก็ไม่มีเหลือลมันมัดลงหมดเลย กับท่านเหมือนพ่อแม่กับลูกพูดกันลนะ่ะบังทีพวกตาประขาวพวกอะไรหลังไหลมาๆขออยู่กับท่านเขาว่าเป็นปอบเป็นผีอะไรเป็นปอบกินบ้านกินเมืองเขาเขาแล่อกจากบ้านมาอยู่กับท่านทึง <c oughs> เอาก็ใส่วันลาววันทิวากเลยเราอยากฟังอุบายมันออกนะเรอยากฟังอุบายท่านออกก็้วหาอุบายพูดเนี่ยไอ้พราขาวนี่ก็มาม า, มากมายว่ะ บางรายก็บอกว่าเป็นนั้นเป็นนี่ก็มาก็มาอยู่มาอยู่นี่มันทําไมมันถึงเป็นวัดมาวันเราศาสนามันเป็นเหมือนสถานที่สถานอะไรแบบนั้นใครไม่ดีโยนก็มาโยนก็มาเราว่างนี่ท่านจะออกจากไหน่อยดูไปฟังไปเรายังเสียงท่านเขาดูไม่กล้าพูดกับท่านได้ผมมันพูดได้ทุกอย่างถ้าก็รู้ว่าความกล้าหาญเป็นยังไงท่านก็รู้เรามันกล้าหาญจริงเด็ดถึงเวลาเด็ดแล้วท่านก็รู้นิสัยเราจะโง่ฉลาดเท่นั้นท่านก็รู้หมดแล้วนี่ เวาท่านตอเออเขาก็เห็นเป็นลมโพลลมไส้กันน่ะแก่ไปเขาก็ยังมาอยู่จะทําไงก็อยูงั้นแหละมาเดี๋ยวมันก็อยู่ไม่ได้มันก็อยู่ได้มันกวันนึ่งือเป็นลมโพลลมไส้เขาบอมาศัยกันนี่แหละมันก็ไปหันเยอะแล้วก็ว่ายยังของเรายังอยูืดมามันหนักให้หนักอกเรานี่น่ะ ให้มาก็อยู่ในหักเราหมดพระเนรเข้ามาก็ดีพระตาพระุมประขาวก็ดีมันไม่ใช่ธรรมดามันหลักอกออวันนี้เหนื่อยไม่หยุดป็ยังไงนะพระใบก็พ า, ากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะเวลานี้จะให้อบลงเหมือนยันตะก่อนก็ไม่ได้แล้วให้ฟังเทปเอานะผมผ็ไม่เคยเป็นกระดูดที่หมู่เพื่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้แต่ก่อน ประชุมอบรมกันเท่าไหร่เดือนหนึ่งกี่ครั้งก็เคยอบรมในนี้มันยกไม่ขึ้นนะอยู่ลําพังเจ้าของเท่านั้นมันก็พอแล้วว่านจิงมาอย่างยุ่งกับอะไรถ้าตามทําลําพังผมผมก็บอกทัดนแล้วว่าผมไปนานแล้วผมไม่อยู่ตามนี้เนื้อตีนินสัยเจ้าของหนีไปแล้วไปคนเดียวเงียบเงียเงียบอันนี้ไปไห น, น, น, น, นมันจะแห่าตามมันไปสิ ไปอยู่ที่ไหนก็ได้สามวันอย่างมากแล้วก็จะแห่กันไปแห่กันไปอยู่นั่นก็เท่าเดิมก็เหมือนก็ไม่ไปแล้วเขาไปเราไปได้เขาก็ไปได้เนี่ยเขายิ่งหนุ่มกว่าเราอีกนี่เราไปได้เขาก็ไปได้เนี่ยมัอย่างนั้นสิการหนึ่งก็คิดถึงหัวใจของโลกอีกแหละมันหลายด้านไม่ได้คิดด้านเดียวเนี่ยคิดหลายแง่หลายกระทุ้อย่างมินตาบานนี่เหมือนกันผมก็ทนมานั้นเนี่ย ธรรมดาุมทนเมืม่อวันนั้นรู้สึกเยเวียนจึงรับได้แค่นี้เมื่อวานยุดเลยฝืนมันไม่ได้มันจะเอาอะ่ะแต่หมู่ช้านี่เขาช่วยยกบาดนะเวลาเขาออาขอออกเราไม่ได้ถ่วงเราอยู่ตลอดมันมันก็ไม่ปวดตรงนี้ปวดตรงนี้มันขึ้นตรงนี้นะเนี่ยสายบาดมันกดนี่เขาก็ยกบาดช่วยเขาขนของออกยกบาดช่วยไม่เราหนักเราจึงทนได้รับได้ทุก ทุกลายนี่นะมือเช่านี่ทาไมงั้นไม่ได้นะคือมันหนักแล้วมันกดหนักกดอยู่ตลอดกดอยู่ตลอดแล้วเดี๋ยวมันค่อยๆเป็นขึ้นมาค่อยเป็นขึ้นม า, น ข, นมาขึ้นข้างบนนี่แล้วเดี๋ยวก็วิง่งเวียนนแบบนี้นั่นมือเช่านี่พอทนหแผกจริงๆเขาทนมาเพราะเขาช่วยเขายกบาดช่วยด้วยขนของออกด้วยแม่เราหนักเวลาหันออกมาเนี่ยเขารีบยกบาด ท, ทันทีเพราะมันหนัก ยนในวันนี้มีใครเป็นหมอเส้นดีๆจะคนมันมีพอมีบ้างไวน้นี่หรือมีแต่แตะกิ้จิงหลงจิ้งเหลนกาจิงจกมาไต่ตามขาอย่เียังไม่ค่อยใครนวดนะพยานาดูไม่พอจะเปิดประโยชน์อะไรนะก็เลยปล่อยไม่ให้ทำคนก็แน่นทั้งน้นทางครัวแน่นเลย จนนอนผาที่นอนมาแล้ผมเดินเดินเข้าไปตอนนี้แตอนสี่โมงคึ่งหรืไงเดินเดินเดินเข้าไปถามดูคุณไหนแน่นหมดอัดนั่นเลยคงจะเริ่มไปก็มีอย่างนั้นแล้เราไปอยู่ที่ไหนมันก็เป็นนั้นเดี๋ยวขอเพ้อหวังพึ่งหัวใจหาที่เกาะที่ยึดเลยเราเทียบหัวใจเรานี่แล้วเราจึงได้ทนในหะัวเรา หัวใจก็ของออกกลางแล้วมันก็รถูถ่ายกันไปมันไม่อยากเกาะมันไม่น่าเกาะมันก็ไม่อยากเกาะไม่ว่าเขาว่าเรามันเหมือนกันเลยเวลายึดมันไม่อยากเย็นไม่น่าเกาะไม่อยากเกาะถ้าน่าเกาะแล้วยังไงมันก็พันเหมือนอย่างเราพันผมอย่างหูจาย์มันมันพันจริงนะหัวใจผมอยู่กับท่านมดทุกอย่างอย่างนั้นแล้วเวลาท่านสิ้นนี่แหม่น้ำตาล่วงเลยกนนะอ๋อมัดมดไม่ได้มัดมดหละ พราะปัญหาเราตอนนั้นมันกำลังเข้าได้ก็เข็มหมุนติวติวไม่มีวันมมีคืนนะยิ่ดูปฏิบัติท่านอยู่เพราะก็ทําทำงานของมันอยู่นี่ไม่ถอยนัน่เป็นเพียงว่ามันไม่ได้เต็มไม่เต็มหน่อยเท่านั้นแหละเพราะงานมีเกี่ยวข้องอยู่แล้วก็ปัญหาก็เกิดเรื่อยสิปัญหาขึ้นเรื่อยเกิดเรื่อยท่านช่วยแก้ให้มันเร็วนี่ ผมให้นายคร้งผู้จัดการพระสาวก้พระทั้งหลายที่เข้าไปทู่นปัญหาญหาพระพุทธเจ้ากวาอย่างนั้นแล้วเมื่อโค์ยังทรงประชันอยู่พระเข้าไปอย่างนจะไปอยู่ที่ไกลๆลาบากลําบนก็ต้องถูทายกันไปช้าบ้างเร็วบ้างก็ต้องทนกันไปอันนี้เมื่อเวลาจากกันไปพอทนก็ทนไปบางทีไปสี่ห้าวันกลับมาเฉยนะทันยิ้มนะ เห็นเรามาท่านรูนี่ฮะมาเหรือไปเสียวันนั้นทางไม่ไปไกลพอมาทาังฉันหันแล้วมาหาท่านเชนหนึ่งงกุดไหายบ้างมันนิ้วเนี่ยทาง1ิศสาสี่กิโลฉันหันแล้วปุ๊บเดียวเลยแต่คนเดียววิธรรมาก็ท่านให้จุใจแล้วกลมามาก็ความเพียรตลอด บทีจึงก็มืดแล้วถึงออกจากวัดทันนะความเพียรไปตลอดอย่งนั้นแหละมันตักตวว่าตั้งแต่อัตตาธรรมนี่ว่าไงจิตไม่มีอะไรเลยมีแต่อัตตาธรรมเต็มหัวใจเต็มหัวใจหมุนติวต้วเต้ยว้วท่านผมยังไปอยู่แต่องค์เดียวผมมันมันสนุกฟัดกันน่ะเวลาไม่ว่างไม่วา่างจริงนะจิตนี่แหมไม่มีเวลาว่างเลยนะ ผมก็อัศจรรย์เหมือนกันไม่เคยคาดเคคิดแต่ว่ามันจะเป็นที่ขนาดนั้นนี่เราถึงถึงเวลามันหมุนหมุนกลับมันเป็นอย่างนั้นเวลาวาตถวนมันหมุนใจเราหมุนกิเลสมันก็เป็นอัตโนมัติทั้งมันคิดเรื่องอะไรแสดงออกอะไรมีแต่กิเลํางานทํางานมัดน้ำเบอเวลาสติปัญญามีกําลังเป็นธรรมแล้วสติธรรมปัญญาธรรมมีกําลังมันหมุนกลับแล้วที่นี่หมุนกลับเป็นดิวัตประจัก ไม่มีเวลาว่างเลยนอนนี่เีบเดียวนะคิดย้อหนหลังนีม่มาให้ว่างนั้นเลยเวลาทุกขก์กมากจริงๆผมจึงกล้าพูดแต่ว่างานของในโลกอันนี้ผมไม่เคยเห็นงานใดที่จะหนักมากกว่างานภาวนาะฆ่าเด็กนี้เลยว่างว่าได้เต็มปากเลยเพราะมันเป็นในตัวของเราเองอั น, นนี้เราหนักล่างจริงๆนะ จนจนน่ากลัวที่ด้านหลังของแต่ตอนนั้นมันก็พอเหมาะกันเองกำลังวางชามมันก็อ่อนวยนยินงมันก็ความมุ่งมั่นมันก็เหนียวแน่นทีเดียวความมุ่งมั่นเนี่ยสำคัญนะแน่นปังปังปังนีนความเพียรมันก็ไปตามความมุ่งมั่นเลยไม่อยากพูดความเพียรนะมันไ ม, ไม่ไม่ถึงกันนะ เวลาเป็นโดยอัตโนมัติทั้งวันแล้วมันมันไม่ใช่ความเพียรเขาว่าเพียรนนะคือต้องพยายามถูไถกันไปไม่อยากไปก็ใสกันไปอย่างเนี้กว่าเพียรอันนี้ได้ล้างเอาไว้แต่ว่าความล้างมันจะถูก <c oughs> ความล้งอาไว้คือมันมันมันเลยเถิดมันผาดผลต้องล้างอาไว้ล้งเอาไว้นอนมคือไม่หลับเลยนี่ทั้งวันยังจะไม่หลับอีกนั่น พเพราะจิงต้อลงล้างต้องล้างล้างเอาไว้มันจะตายจียิแลว้วกาล้างไ ว, ะวะ้จีิงเวลาที่คนไม่รู้เวลาเวลาตัวที่ไหนมันไม่ออกเลยจะไปรู้เวลาเวลามันไม่มีหิวอะไรห้ออะไรไม่สนใจกอะไรทั้งนั้นนีแต่ขึ่งเวทีเข้าวงในกันแล้วฟัดตรนี้ด้านเลยมันก็เปิดโล่งเปิดโล่งหเห็นอยู่ใ น, ในหัวใจมันทําให้เพินอยู่อันหนึ่ง เ ป, Spanish, เปิดโล่มเปิดโล่งโล่งโลเห็นเห็นภัยในทุกหนึ่ก็เห็นเห็นภัยในจิตเรีนี่ก็สุดหัวใจเห็นคุณทำก็สูดหาวใจต่างอันต่างสูดหายใจแล้วก็บวกลงไปหายจิตดวงเดียวมันก็พุ่งสิกำลังตอนพ่อแม่ของจันป่วยนั้นเราก็ป่วยใจแล้ว่ะท่านป่วยธานเราป่วยใจท่านเพียรทางธาตขันเราก็เพียรทางละเพียรทางดานจิตใจ ออ ก, กท่างคงกับปับขึ้นหาท่านเลยนะพอะลงจากนั้นกับปั๊บเข้าทาานี้คงด้วยว่าก็ปัดกวาเดเสร็จด้วยว่าแล้วก็เข้าเลยท่านยังคงแล้วเรื่องความเปลี่ยนมันหมุนวันตลอดแหละแต่ถ้าเข้าจบทางคงแล้วเรียกว่าขึ้นเวทีต่อยลวนะั่นมันก็ได้ทำเต็มเม็ดเต็มหน่ย ถึงได้กล้าพูดได้ชัดเจนที่ว่าพูดสติ ป, ปัญญาธรรมดาหรือมหาสติมหาปัญญาเป็นยังไงภาวนาไม่ได้ปัญญาเป็นยังไงก็มันเต็มหัวอกเนี่ยมันจะพูดมาได้ยังไงธรมหาเมื่อมันเป็นแล้วมันพูดได้เนาะคนเราผมันเป็นจริงๆก็บอกว่าเป็นจริงๆเป็นขนาดที่ว่านี่มันเป็นธรรมจักรเลยโหนติวติวไม่มีเวลาเลยนี่ใครไปรยุ่งผมได้เมื่อไร มันจึงไปหากินบ้านในเรื่องน้อยๆเพราะอาศัยก็กินวันแนึ่วันห่พอแล้วต้อไม่ค่อยกินทุกวันก็ได้นะถมันจะกินจะตายกินหากินจะกินมันกิ น, กนไม่ถอ่อยมันจะเอาให้หลุดให้พน้นให้ผลเอาอย่างนั้นเหรไม่มีติเพราะมันเหมือนกับว่าจับผิดจับถูกอยู่เนี่ยจับหางมันคว้าหางผิดคว้าหางถูกมันเราตามไล่จับบวชนคว้าผิดคว้าถูกอยู่หางวันนี้มันกันขยับเลยแจะขอจะตายก็เลยไม่ได้ว่า เลามันอภพอัตถิมหาปัญญานี่ยังหยาบไปนู่นอฟังสิมันเหมือนก็มหาอัตถิมหาปัญญาเป็นพื้นฐานอันชิละเอียดก็เป็นนั่นคืออะไรนะอะไรนะนั่นท่านก็ไม่แสดงไว้ในพระไกรบิดกในหนังสือนั่นมันก็ก็ไม่เห็นแต่มันเป็นอยู่ในหัวใจน่มันแบบมันซึมมันทราบมันเหมือนไฟได้เชื่ออย่างว่านะมันซึมมันทราบของมันไปที่นี่ที่เด็กมันอยู่ยังไงมันตามกันได้นหมด เงนั่นก็ไม่ทันกันฆ่ากันไม่ได้สิถึงได้นนว่าโธหมดเลยในสกุลากายของเรายี่ด็ดแทกมัดเลยว่ะเวลาไฟอันนี้ตามถึงไดีดูกันโอโหมนสนุกพิจนาสนุกคิดเวลามันเป็นโดยรธรรมชาติ ม, มีใครบังคับเลยนอกจากล่างเอาไว้เท่นน า, านั้นหมุนน้องหวังละเอียดก็หมุนแบบละเอียดอยู่นั่นแหละ ถึงขั้นละเอียดอะไรก็หมูลละเอียดลงไปลงไปขั้นหยาว ก, ก็หมูนขั้นยาแต่พูดจากอื่นก็พูดไม่ได้ก็ต้องว่าพูดมหาสติมหาปนะัญญาเนี่ยที่วามันเป็นเองตลอดเวลานั่นก็มันก็เป็นภาวนาแนะปัญญาเปนเป็นขึ้นเองอนะเอาละเนาะเคหนื่อยผมเหนื่อยเลยเหมือนจริงเนไงไหนื